พระธรรมเทศนาแผ่นที่55ลำดับที่24โดยหลวงพ่ออินถวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมเมื่อวันที่2สิงหาคม2556มีชื่อเรื่องว่าคนมีปัญญาย่อมรู้จักผู้มีอุปการะคุณ เมื่อวานเขาบอกว่าฝนฝนสีมาสัมพายุสีเขามากเขาเขามาอีหลีบากเมือ่อไงว่าจะเขามาวันที่หนึ่งตอนบ่ายมาถึงวันที่ทสองวันนี้วันที่สองฝนตกตอนเศาราตลอดแล้วก็ได้ทราบข่าวว่าทางข่าวเขาบอกว่าในหลวงพระราชิเนียจะเด็ด หัวหินเหมือว่านประโคนในก่อนยูขังถนนหนทางรู้สึกวา่าให้ความเคารพพอใหญ่พอหลวงของของแผ่นดินถ่วมทนท่วมทนเลยนี่แหละคนไปใส่คนทำคุ้นประโยชน์ให้กับประเทศชาติแตงแต่สมัยเป็นหน่อยเป็นนุม ขืนผู้เขาโล่งหวยพวกเข้าเห็นหมะคือกันกบพอแม่เข้านะก่อนเข้าจีรื้มตาอาปากได้ก็พอแม่เฮ็ดให้เฮ็ดหน้าให้กินก่อนพนจน์จเฮ็ดให้เฮ็ดหน้าให้กินนี่ยป่อแมนท่ดานเขียวคำยำขึ้นโซจีจเป็นไฮเป็นหน้าโซ จ, จเป็น มร ะ, ะดกในพวกเข้าได้ยูได้กลิ่นอันนี้ก็คือผักขุนของพอแม่ในหลวงขึ้นกันพวกเข้าะสมในก่อนทั้งหลายก่อนเจ็ดืิมตาอาปากได้คู่มือนี่กันั่นแหะในหลวงของเข้าเพิ่นซ้อยเหลือประเทศชาติประชาวโค้งการยังตะโค้ ง, งการยังพลาดจะดาริขยังพอพราดจะดําลิขยัง ทางพบล้มราชินีแต่เข้าติดตามข่าวเข้าก็จงหูใดว่าในหลวงพระราชินีเนี่ยบ่อนิ่งดูดดยต่อประสกนิกร่อนของเพิ่นเว้นเสียแต่คนที่อิจฉาในใจอ น, นันต์ซอยผัวดผัอดเพราะความอิจฉาใน ใ, นใจเนี่ยผได้เหตดดีปันได้มันก็มองบม่เห็นก่อนไปพราะบ่ อ, อยากเห็น โบยจะเห็นความดีของผู้อืน่นอไรไปขันมันผู้อื่นขึ้นมากขันผู้ถึกใจเจ้าของนี่เฮตขอลออพอกแค่หางอื่นนี่ก็ยอกย่องซะลเซินอไระไปพราะถึกใจเจ้าของพนันสิงมูนีมันอยู่ในใจของแต่ละคนขันมู่ผู้มีปัญญาทำใจให้เป็นกลางผู้มีกุณธรรมในจิตใจต้องแบบดูแบบบุรณาการ ดูให้ภาพร่วมมาผู้นี้ทำคุณประโยชน์หนังได้ประโยชน์หนังมีคุณประโยชน์จังไรต่อประเทศชาติบ้านเมืองต่อชุ่มชนต่อตัวของเฮ้าคันนาฟาเฮ้ามีคุณธรรมในจิตใจจะมองเห็นเว้นเสียแ ต, ต่เกกีเลสความอิจฉาพยาบาทอาขาดจองเว้นพื่จะให้ผู้อื่นเห็นนอกจาก คนของเจบของขอลอเท่า น, นั้นนะอมองบเห็นผู้อืน่นคือกันครับผู้ใดก็าตามนะเพิ่นว่าธรรมบุตรใดงโง่ซะยังและเลือกถึงบุญคุ้นของพอของแม่บุตดเพราเห็ุใดเพอาะโงแ่งอองและเลือกถึงบุญคุ้นพอแม่ที่เรียงดูห่อม่านเลือกผู้ใดมีแต่ว่าอิจฉาข้าแม่นสิมาดเอ๋ ให้กูเกิดปาเน่ให้กูทุกขุยยากยังสิสเฮ็ดให้กูเกิดเฮ้อย่างเป็นเรื่งสูบเปลี่ยนมันเป็นความงโง่ของสูนนั่นแหละบวงเจ้าของเนะ้ยกันเจ้าของอ่ะกูงโงป่ปาเน่กูทุกปาเน่หาเสือกมาสูว่าสินกูจิมัดข้อเจ้าของอ่ะเ่าเห็นปริวาห์ฮะมันเห็นแต่ผู้อื่นเออพ้นอินเห็นแต่บต พ, อ, พอแมงโง่เจ้าของเอ้งโง่บวารบพพเม เป่เลี้ยงเจ้าของฉันพ่อแม่เลี้ยงเจ้าของใหญ่มาแล้วขาสองแขนสองสมองหนึ่งใหญ่ยยแล้วไปแต่แม่หาแต่ไม่กระโดดไปแตไปในทิศทั้งสี่เขาเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีต่างมากไมก้เป็นยังเจ้าของยังเฮ็ดโจโล่อมหัวไม่มืออมหัวไม่ตีนอยู่จนเจหาเจ้าเลี้ยงปากเลี้ยงทองเจ้าของกขาบกุม ผู้อื่นเขาล่ะอพอแม่เลี้ยงมากแหละเป็นผูมีบุญคุ้นย่างมากแล้วเพิ่นเลี้ยงมากเลี้ยงพอ่อเลี้ยงเฮ้ามากเพิ่นบอกความหนาแต่เล็กแต่น้อยป่ะนะขั้นเพิ่นความหนาหรือสองตาแยกเฮ้าบ่อละลูกอีนี่บักนี่เนี่ยความหนาบันซ่าไปจะไปเห็นเฮ้าก็ตายเกิดมาเขาว่าลูกคอยตายเกิดมาแหละตายมันก็แล้วเท่านั้นนะอันนี้ถือว่าเพิ่น เป็นผูมีบุญคุ้นยางมากต่อบุตรธิดาต่อลูกของเพิลนบัตรนั่นเพิ่ น, นมากเลี่ยงมากโดยกว่าตนุถนอมจนใหญ่ป่านนี้ละ่ะบานรในเฮ้าสีเฮ็ดหยังบัตในใหญ่ยยขึ้นมากแล้วเฮ้าจะไปดูถูกเหดียดยามพอแม้มันขบอแม่นแน่วิคือเขาเพราะเหตุใดพเพราะเพลนเลี่ยงเฮ้ามาแล้วมีบุญคุ้นยางมากไมก่ ม, มหาศาลที่ได้เลี่ยงเฮ้ามากคือกันครับคข้นเลี่ยงเด็กน้อ ย, อยสั่นนะ่ะ เห็นมข้นเลี้ยงเ็กหน่อยลูกไรเลี้ยงลูกก็จะูจักหอกอคนโบล้านเพลนวามันบนมีสบู่มันบนมีน้ำปาป่ า, ปาก็ังคู่มือหนีได้เนอ่พอเลี้ยงขึ้นมานี่กถึกเวลากินเขา่าหาน้ำสีล่างมือก็บโมี่เซ จ, จกนลวดกระลาดแล้วก็มาปันเขากินเล่หอนออกไปเอีเพนวาลูกแต่ละคนเนี่ยกสีเงยก้อนลดออกจากมือพอมือแม่เนี่ย อพ่อแม่นะี่ยกินขี้ลูกอพ่แม่เนะี่ยโดยเฉพาะยังยิงแม่เนะี่ยกินขี่ลูกคนละทอกําปั่นเป็นอย่างหน่อยคนโบร้านเพิ่นว่าเพราะเหตุไดเพราะมันเสร็จมือบกหักเนะี่ยว่ามีน้าล่างมือว่ามีนาม้าปั๊บคงปั๊บป๋าว่มีสบงสบู่ยังคู่มือเนี่ยเซ็จขี่ลูกได้กับมา ก, กับอตัวนาตัวล้างกับเซ็ตมา่านอะไรเกี่ยงบกเกี่ยงแน่กัเป็นยังขี่ลูกเจ้าของค่ะ นี่แหละคนโบราณเพิรนว่าปันนะั่นอันนี้แหละมันเป็นแนวความคิดให้พวกเข้าไ้คิดไปอ่านทั้งมดัดคันผูมีปัญญาและเลิกถึงบุญคุ้นของพอของแม่ใดคันวาพูงโง่ใยยางด้านนะ่ะ ห, หาว่าพอแม่นี่ยกระแดะเสือกบาหานเลี้ยงเอาลูกออกมาแล้วเลี้ยงลูกก็บอหายหางหายมีคือบ้านคือเมืองเพินฮมันมองอีกอีกแบบหนึง่ง แต่ตามไม่จริงมองแบบแบบบัณฑิตนักปราชัยขันมองแบบภ้าลชนกับมองอีกแบบหนึ่งขันมองแบบบัณฑิต น, น, น, น, นักปราชัยก็บอกเออพ่อแม่ได้เลี้ยงดูห้ามากขนาดนี้แต่ก็น่าพเป็ดประคุณอย่างยิ่งแล้วจะเห็นเพลินเลี้ยงไปฮอดใสเลี้ยงง่ายปานีแล้วเมื่อพ่อแม่เลี้ยงห้ามากแล้วห้ามจะกระโดดไปในทิศ ท, ทั้งซีจะทำมากฆ่าขาย เออมันขยันเป็นนาทีของเข้าคนขยันย่อมหาทรัพย์ได้คนมีปัญญาย่อมหาทรัพย์ได้ขันคนน ง, ง้อสยอย่างคนขีคขานสยอย่างเออเอาตัวบอลอดขันว่าเข้าขยันแล้วคนพร้อมกับปัญญาเ้ามีทรัพยากรในโลกนี่เต็มไปหมดคดบางวงได้เป็นเงินเป็นทองไปหมด มีพ้อมที่จะสสแสวงหาศรัพย์ได้การค้ น, คนขยันคนมีปัญญาข้าทําว่าคนบ่มีปัญญาก็ะย่างวานตํานี้พอตํานี้แม่เจ้าของอทั้งที่จะเชิดชูบูชาว่าปกุลของพอแม่ได้เลี้ยงดูห้าม่ามากไม้ ม, มหาศาลในหลักถรมคําสอนของพระพุทธเจ้าเป็นว่าเมื่อพ่อแม่เลี้ยงดูเรามาแล้วเลี้ยงท่านต่อ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 สาริบุตรเป็นบอกว่าผูมีปัญญาบรรลายายสัพคุณเทิดทูนบูชาคุณของพระพุทธเจ้าตั้งแต่เกิดจนหอดมือตายก็บรรลายายบาจบพเพราะเหตุใดเพราะคุณของพระพุทธเจ้ามากไม่มหาศาลจะบรรยายจากไหนก็บรรมีการจบการสิน้นเพราะเหตุใดเพราะพระพุทธเจ้าเป็นผูมีพระคุณบอกราว พระเตัตสรูเป็นพระอนุตตรสัมมาสัมโพธียาณและก็สอนให้พวกเฮา ห, หูจักท่านหูจกักศีลหูจักภาวนาหูจักภาวนายกจิตใจของเจ้าของให้พ้นจากทุกข์ในวัตะสงสารบร่มาเวียนว่ายตายเกิดเป็นอนันตาการบ่รต้องมาทุกข์อีกพระพุทธเจ้าพันสอนไวมดัดเพราะนั่นจะบรรยายคุ่นของพระพุทธเจ้า กบบ่มีผัญหาบรายบรยายจบถึงจะมีปัญญาปันหาการบรยบรยายนจบพราะคุณของเพล น, นมากมหมจนนอกเหนือจากบรรยายไปได้บรรยายนเรียมหนึ่งย่างเรียมหนึ่งพิญญาเรียมย่งเรียมหนึ่ ง, ย ง, ยง อ, อย่างที่ลงพออะไรกาวสัมโสดธนิยกถรมฐานบรรยายนถ้าหรือ ว, ว่าบอกกาวลูกหลานสัทธาญาติโยม ให้รู้จักพระคุณของพ่อแม่คู่บาอาจารย์ให้ลดให้ลำดึกถึงคุณพระพุทธเจ้าพระธรรมประสงค์นะพวกเข้าในสังเกตดูสิ m อ็มพงสามลงพอในสี่สิบกว่าแผ่นฟังเบิ่งแล้วกับมีแต่ละแง่แต่ละมุ่งล้วนแล้วจะเป็นแนวความคิดให้พวกเข้าได้คิดให้ติดตามว่มาประคุณของพระคุณชิงเรานั้นมากมากม้มหาศาลถึงขนาดไหนนี่แหละคันวาคนมีปัญญา ก็ยอมลำลึกถึงขนาดโง่ๆอย่างหลวงพ่อสุจ้าเนี่ยหลงพ่อสุจ้าเนี่ยก็ยังบรรยาย่ายเท่าที่ความโงมีอยูนี่มกมากไมมหาศาลถึงขนาดนี้แะถ้าผู้มีปัญญามากกว่าหลวงพ่อเนี่ยจะขนาดไหนอันนี้คือกันอันนี้กนน็คือพ่อแม่ครู่บาอาจารย์คือกัน ครูบาอาจารย์ที่ท่านสอนสั่งพวกเฮ้าที่เฮ้าเองบวชเฮี้ยนเขียนอ่านมาถึงเพคนที่สอนกิริยามัลยะเฮ้าก็ได้จับเป็นตัวอย่างว่าในครูบาอาจารย์เพิ่นสอนแบบนี้แบบนี้โดยเฉพาะอย่างยิงยางหลวงพ่อเนี่ยคือหลวงปูหละหลวงพ่อเนี่ยเครเข้าเป็นเป็นผาขาวมาเลยแล้วกันไปอมีแต่พอคำแย่ท่านอาจารย์สอน สอนกิริยามัลยาตอก็สอนเขาเท่าที่เพิ่นสีสอนได้กด็ดีนับว่าดีสอนให้ระดับหนึ่งดีกว่าเพิ่นบอสอน เ, ออเพิ่นสอนเป็นบุปผ่าจารย์พ่อแม่เป็นบุปผ่าจารย์เป็นอาจารย์ของคนแหลกของบุตรธิดากินเข่าจังสี่นะขับทายจังสี่นะนอนจังสี่นะพมผาจังซี่นะ อ, อ, อย่าไปตากฝนตากแดดนะ อ, อ ทายมงหันทายมงนี้นะจะไปทายมงหันมงนี้นะปัสวะมองหันมองนี้นะพ่อแม่เป็นสอนจากนั้นก็สอนให้เรียกผู้นันปา้าพนี้ลุงนะพนี้อา้นันสื่อเอิญจังสันจังสี่นะเอ่าไปบอกความนี่ น, ะนนะ้ำปวไรนะข้ามหยาบเอ่าไปบอกนะย่าไปบอกนะให้เอินชื่อข้มนี่นะพ่อแม่สอนข้าวาว่าเข้าไปเอิน พิทีพิทักษไปด่าเขานะพ่อแมฆก็เงื่ง่าฟ้ามื่อมาบ่อได้นะอยา่าเวังนะนะจังสีเนะตีนะจังสี่เป็นตนพวกเซียงโมนีเข้าได้เจอได้พบมาแล้วอันนี้ก็คือพักขุนของพ่อแมธีสอนพวกเขามากจนชุดความสามารถของเพิ่นจากนั้นเพิ่นก็นได้าฝากกับหลวงปู่หลวงตาคู่บาอาจารย์อย่างหลวงพอนะ่อไปอยู่กับหลวงปูหงป่หล่าหลวงปู่หล่าก็สอนอีกบาทนึ่ ส อ, อ, อนกัะทั่งนโมนโมตัสะนโมทัสสะนโมทัดสะพระเาวัตโตครูบาอาจารย์ลูกปู่กันะโมแมนนาอินนานโมตัตสะโมแมนทัตสะนโมตัตสะต่อเต้านโมัดสะพระควโตออมแมนพระเข้าพระเขาวโตโอ เบิ่งนะฟังนะเอี่ยลงปูเป็นสอนมัดตั้งแต่นโมโอ่เอแล้วก็อีกอย่างอย่างอื่นอสอนอีกให้เข้าว่าเป็นผ่าขาวเลยแหละวันนี้ไปเออเป็นมาสักมาฟอกเป็นก็ม้ยอมมันเป็นสีใดฮกิริยามัลย า, า, ยาต้องเฮ็ดจั้งสี่นะ เ, เวลากูค้นมาตรงแบบนี้นะอตรงฉันตรงแบบนี้นะลงปูเป็นสอนละเอียดที่ถวด อันนี้ก็คือพ่อแม่ครูบาอาจารย์จากนั้นก็มาสอนมาเลยๆจากนั้นมาเห้าก็สังเกตไปในสถานที่ใดสังเกตสังกาเป็นตัวอย่างอันไหนที่ดีก็ยับจับยึดมาเป็นตัวอย่างคำพูดใดที่เป็นที่คำพูดพ่อแม่ครูบาอาจารย์ mm hmm. เพิ่นบอ ก, กเก่าก็นั่ค่ำคิดคำพูดอันนั้นเอาม า, อาบอกเก่าเราสิบ ตลอดถึงมาอยู่กับคู่บาอาจารย์หลวงปูหลวงตาหลวงตามหาบัวเพิ่นสอนอยังที่ถ่วเข้าไปอีกเพราะว่าเพิ่นเขาอยู่ชุ่มชนสังคมส่วนใหญ่ทุกระดับอแต่หลวงปูหลานี่ยเป็นอยู่ในระดับปลาดงพงไพ่แต่หลวงปูตัดหลวงตาเนี่ยเพิ็นอยู่ทุกระดับอย่างพวกเข้าหูพวกเข้าเห็นอันนี้ฮอติมาเลี้ยนรูจากเพิ่นอีกเออ ถึงเข้าจะเป็นเตาก็ตามเข้ากับพยายามตะเกียดตะกายเบิงข่านตามเพิน่นเพิ่นผ้าปฏิบัติจังไดแต่จะให้เพิน่นใดเพิ่นทุกอย่างก็คงจะเป็นไปจังสัน่นบ่ได้คือกันเพราะอุปนิสัยความโง่ความฉลาดของเข้าเนี่ยมัญญูต่อแต่ถึงอย่างไดเข้ากับพยายามอันนี้แหละคือพอแม่ครูบาอาจารย์ที่ทันในร่าสังสอน แต่เข้าก็เบเบงในความคิดหรือว่าสติปัญญาของเพิลนเพิลนก็บอกว่าไม่มีกรำมืออยู่ในอาจารย์มี่งอย่างเพลนที่เพิลนที่อยากให้เข้าหูเข้าฉลาดให้เข้าเรียนรู้เรือว่าฉลาดเนี่ยเพลนจะไปย่ำยาทายเท่พิชากความรู้ให้เข้ามากเท่าที่เข้าจะรับได้บริเวณทีปิดบังขอบก้ามใบเบาๆให้ฟังเนแนวสีมันฉลาด เอา้าจีทายทอดแบบงงๆอะไรให้มัน่นเพิ่นกับบอมมี่ในบอมีความคิดจังสันมีแต่ทายทอดจีงไร่จีเฉลียวฉลาดเจีงได่จีรอบรูปเพิ่นกับพายามทายทอดวิชาความรวนให้เห่ายังมดเปลือกวันออกไปอบอมมีกับมืออยู่ในอาจารย์นี่แหละเข้ามั่นใจจังสันอยู่กับคู่บาอาจารย์องค์ใดก็ะตับอันให้คือพ่อแม่ครูบาอาจารย์ แต่เดี้มาพูดถึงเจ้าฝ่าเจ้าแผ่นดินคือกันแต่เขาว่เาเ้ามองอีกมุมกว้างๆเพินทํำคุ้นประโยชน์ให้กับประเทศชาติยังไงสมัยก่อนเพิ่นเป็นหนุ่มขี่มา้าขี่ลาขึ้นบนภูเขาไปเบิ่งเช่าเขาก็มิเชียงขนาดใดเพราะเป็นเจ้าฝ่าเจ้าแผ่นดินมันบอกคือเฮาไปได้คันเฮาไปไปไสไพกระโบผูกพยายบาตรอาขาดจองเว้น เข้าไปไซได์กระไดอัน น, นบอแมนธรรมดาเออบอแมนจะกุมไดตะกุมใดเออเสี่ยงไพ่อันต ร, รายในการเดินไปคันว่าพวกเข้าวุฒิคิดมันก็บอกหูยักษ์ความปลอดภัยขนาดไหนแต่ว่าขั้นเข้าได้ใช่ปะชะัญติใช่ปัญญาหรืบอแมนธรรมดาเออคือกันครับคนจนในบ้านเนี่ยนะไปใสมันก็บอกมีพิษมีไพ่ได้ขั้นเศรษฐีพอคขาลารุ้ยขึ้นมาคือไปใสต่องระว่างได้ ไปใส่ไม่จะปลอดภัยบนเขาจะจับเรียกค่าไทยบนี่เอมันไผมีอริสติวต๋วกระเพ้าบนการทามาค้าขายมันต้องได้คิดคือกันเพราะเหตุใดเพราะว่ามันมันมีในโล ก, กมันเป็นอย่างสัตว์เพราะนั่นขนาดเพิินระบาด ท, ที่เป็นอย่างไรล้วนแล้วแต่เตรียงผอมแล้วเวียงระวว่างครับคนทุกมูลทุกเราอจะทําอย่างไรจึงจะเกิดประโยชน์ต่อพี่นอกประชาชน ต่อหลูกต่อหลานต่อประเทศชาติบแมเนตกประเทศชาติท่านั้นยังมองไปอีกต่างประเทศอีกต่างประเทศเนี่ยเฮ็ดจังไดเฮ้าสีไปผูกสัมพันธ์ทำให้ตีจังใดกับต่างประเทศเหล่านั้นซิ่งเราหนี่นก็ได้คิดมั้เพราะนั้นบุญคุณทั้งหลายทั้งปวงพวกเข้าเป็นประสบในก่อนเป็นคนในชาติมันต้องมองให้กว้างๆอย่าไปมองแคบถ้ามองแคบมันมองแต่เห็น แต่หงหัวปติเจาของท่านนะม่องต่ำฮะแต่ม่องสูงนะต้องเห็นคนมีปัญญาย่อมรู้จักบุญคุณผู้มีอุปกรณ์คุณถ้าว่าคนโง่เสยอย่างมองไม่เห็นไข่ม่องจะเห็นแต่ตัวเจ้าของประนันขอฝากไปคับคณะสัตยาติโนมลูกหลานนะลูกหลานลงพ่ออินลงพ่ออินนี่ป่หมองแคบเ ให้ให้มองกว้างแค่บ่อให้เบิดเถลอเลอถเลอทั้งวันทั้งคืนกับบแมนนะแต่ว่าให้เบิงให้สังเกตให้ใส่ปัญญาให้มองค้นด้วยปัญญามองคนด้วยอย่าไปมองค้นด้วยความอิจฉาพยาบาทมองค้นให้เป็นกลางๆลามองคนด้วยความรอบคอบแต่ทำมาพวกเข้าใส่สติใส่ปัญญาใส่ความรอบคอบแล้ว ที่ตำหนิไผก็ตำหนิพอได้กรรมของไผของมัน <Hey. S 1> ยังเข้าไปเห็นเรื่องยังไงล่ะเข้าจะไปด่าลิ่งก็บอแมนแนลเขาจะไปเห็นสีเสือเดือนเขาจะไปด่าแต่สีเสือเดือนอยู่หันปักจิตปักใจมันทําไมมันเกิดมนันยังมันง่มันหากเกิดมันขีเสือเดือนจะไปหาดา่ามันก็บอแมนแนลอันนี้คือกรรมของมันไปเห็นปิง่งจะไปด่าปิ่งก็บอได้ไปหาเห็นสัดตัวบุ่งตัวนอน่ะ ไปหาขี่เข็นขี่ข้างากเอที่ห้างโบพึ่งปาถนาเขาจะเป็นนางดามนางเกาปั๊ดมือมดเว้นกระบอแม่นแนว่วคืเอเก่าอันนั้นก็คือกำของไผ่กำของมันทรรพสัตว์มันมีสูงมันมีต่ําแต่ให้เบิ่งจกของทเท่านั้นหรอข่าเนี่ยเป็นอย่างไรใจคงข่ามีศีลมีธรรมเป็นทีอบุญละยัง่งมีศีลหาระยัง่งมีคุณธรรมในจะิตใจหรือยัง่งจิตใจของเข้าเนี่ย เอมีโลภมีโกรตมีหลงบ่หรือหากว่ามันเป็นยังไงหรือมีแต่เมตตาอารีมีแตความเออเป็นศีลเป็นธรรมในจิตในใจของเฮาเชิงโมนเบังจบของทายเบังจบของแล้วจะเห็นเรื่องต่างๆกันทำว่าบ่บังจบของเนะ่ะมันยากดเลยมีแต่ชอบดูถูกผู้อื่นเอมองคนทั้งหลายมองในแง่ร้าย ลงตาเพูนว่าอย่ามองมองค้นในแง่รไร่มองค้นในแง่เหตุผลเหตุผลมันเป็นจังใดต้องมองในแง่นั้นอย่าไปมองง่นในในดีจนเกินไปเลิศเล่จนเกินไปเลิศเล่จนเกินไปกันนะจนมองมองมาเห็นความสัวของเขาคือกันแต่แห้่มองด้วยเหตุผลอันนั้นมเพรเหตุไดอันนี้เพอาะเห็ุได เอามาบวกลบคูณหารใช่กันแล้วบ่นดีกับชัวอันใดมากกว่ากันอันนี้เขาก็ต้องมาบวกลบคูณหารอีกด้วยสติด้วยปัญญาของเข้าอีกนะคั้นบ่มันใจกระถามขู่ไล่คนเมื่อถามแล้วก็ น, นำมาคิดความพิจารณาอีกในคําพูดคําตอบของเขานั่นมันมีเหตุผลเพียงพ่อบอกแต่ละขู่แต่ละคน้นหน้าหน้ า, นาจิตต่างหน้าหน้าทัศน์นะแต่เขาเข้าจะหาลักเหตุผลในการ วิเคราะห์ในเรื่องนั่นบุคคลนั้ น, น, นกลุ่มนั่นสิ่งเรานี่ฝากไว้กับพวกเข้าทุกขูนทุกคนนะเมื่อนี่ไขแนวความคิดแนวหนึ่งสำหรับพวกเข้าทั้งหลายลูกหลานทั้งหลายเดี๋ยวฟังได้ศึกษาอัตตอนไปรับพร